บัตรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านโทตกะมมนบพุ้ถามปัญหาเพื่อจะนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระบุมีประภะเจ้า ทรงสอนให้ท่านปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ให้มีกลุ่มของอกุศลจึงใช้คำว่าทำเป็นเหตุให้เกิดความเลื่อนช้าสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความเลื่อนช้านั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่อาการที่จิตไปยึดติดอยู่ในสิ่งต่งตางๆว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา และกระจายของเราออกไปทั้งเคลื่อนที่ได้ทั้งเคลื่อนที่ไม่ได้ทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตสารพัดที่จะกําหนดไว้อาการของจิตที่เกี่ยวเกาะอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามก็จะให้เกิดความเนิ่นช้าขึ้นแม้ในการเวลาและจะเนิ่นช้าหนักยิ่งขึ้นถ้าหากว่ายัางเกี่ยวเกาะอยู่ในสังสารวัฏ การต่อไปก็คือความยึดติดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ข้อนี้เพียสังเกตว่าคนเราเมื่อมีอาการพองขึ้นด้วยมานะในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีความสําคัญทั้นนั้นชั้นนี้จะทําอะไรจะไปที่ไหนจะแต่งเนื้อแต่งตัวก็จะต้องเป็นเรื่องที่มีการสะเสียมมากในเรื่องมากมีบริษัทธบริวาร และสิ่งที่จะต้องใช้สอยไปในการนั้นมากซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเรื่นช้าในด้านการเวลาบางครั้งบางคราวก็อาจจะไม่ทันทีทันการในความรู้สึกเกี่ยวเกาะด้วยอำนาจของทิฏฐิที่เกิดขึ้นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราความยึดติดในลักษณะนี้แสดงอาการออกมาหลายประการ เ่นาจะเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาให้สถานะความเป็นของตนเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลอื่นหากว่าไม่มีการยอมรับนับถือก็อจะเกิดโทสะเกิดปฏิฆะขึ้นมามีความกุนงิดใจมีความไม่สบายใจและกระจายความยึดถือออกไปจนกลายเป็นเรื่องมีตัวมี ต, มตนที่แย่งแท้แน่นอนถาวรยืนรงอยู่ ซึ ต, ตนเองก็มาจากแหล่งนั้นและจะกลับไปสู่แหล่งนั้นก็เรียกชื่อสิ่งเหล่านั้นต่างๆออกไปในศาสนาพราหมณ์ก็อาจจะเรียกว่าปรมัตตมันบ้างเรียกว่าปุรุษะบ้างเรียกว่าพระพรหมบ้างเรียกว่าพรห ม, มันบ้างในศาสนาที่มีพระเจ้าหลอกอื่นก็จะเรียกชื่อเหล่านั้น น, นแสดงให้เห็นถึง <c oughs> ความเกี่ยวโยงของตนกับสิ่งที่สูงสุดและเมื่อไปเกิดยึดติดขึ้นมาในลักษณะนั้นแล้ว ก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอหังการคือความเป็นเราและมามังการคือความเป็นของเราขึ้นมาข้อนี้ดูตัวอย่างง่ายๆความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนเป็นบ่มีพ่อแม่เป็นผู้มีอำนาจมีตำแหน่งหรือมีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยลูกเอาตัวเองไปผูกพันกับความยิ่งใหญ่ความมัง่งคั่งร่ำรวยความมีอำนาจหน้าที่การงานของพ่อแม่และจะเกิด ความเป็นเราเป็นของเราขึ้นมามีอาการเย่อหยิ่งถือตัวอวดดีขาดความเคารพนอบนอบ้อมต่อบุคคลอื่นเป็นต้นซึ่งว่ากันโดยสถานะจริงๆแล้วแกก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าแกเอาตัวเองเข้าไปเชื่อมไว้กับสิ่งที่ใหญ่โตอันสังคมยอมรับนับสือกันทําให้แกเกิดอาการลำพองขึ้นมาทีเลยก็หมุนกลับเข้ามาเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนตของเรา ซึ่งข้นี้ได้ทรงแสดงหลักการปฏิบัติเอาไว้เพื่อนําไปสู่จุดหมายสูงสุดนั้นก็คือการที่อย่าได้ทําตันหาในกามทั้งหลายและในพบทั้งหลายตันหาในกาลทั้งหลายนั้นหมายความว่าอย่าทําใจให้เกิดความกําหนัดรักใคร่ ย, ยินดีในสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ เพราะไร้พระตาหาว่าใจไปเกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นแล้วโอกาสที่จะพากไปจากอารมณ์เหล่านั้นก็ทําได้ยากด้วจากการปฏิบัติขั้นนี้ก็ส่งแส ด, แดงหลักการปฏิบัติไว้เป็นขั้นตอนด้วยประการต่างๆเนการปลีกตนถอยห่างออกไปจากสิ่งที่ใช้คำว่าอารมณ์ซึ่งเป็นค่าศึกคือหมายความว่าถ้าอารมณ์เหล่านั้นไม่มีจิตใจเราก็สงบได้ ถ้าอารมณ์เหล่านั้นผ่านเข้ามาเช่นเห็นรูปจะยินเสียงดมกลิ่นริมรดถูกต้องเย็นตอนๆแข็งข่ า, ขา <c oughs> ก็จะเกิดความผันแปรของจิตใจน้อมไปตามการกําหนดอารมณ์เหล่านั้นซึ่งการน้อมไปตามการกําหนดอารมณ์นั้นก็เกี่ยวข้องกับสิ่งอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาคือการจำหมายอารมณ์เหล่านั้นไวในอดีตเมื่อพบสิ่งเหล่านั้นในปัจจุบัน ใจก็จะอาศัยความจําทรงของเราในอดีตแล้วก็สร้างความรู้สึกต่ออารมณ์ที่สัมผัสในปัจจุบันให้แต่ละขณะคราวนี้เพื่สังเกตตัวอย่างว่าการกําหนดอารมณ์ที่มีอิทธิคนต่อใจของคนนั้นก็จะมีเพียงสองสายคือการกําหนดด้วยอํานาจความใคร่ความยินดีกับการกําหนดด้วยอํานาจความไม่พอใจหรืออาจจะรักชั่งหรืออาจจะยินดียินร้ายอะไรตามจำนวนที่พูดกันในง่ายภาษาบเลย อารมณ์เหล่านั้นเมื่อได้สร้างความรักความจังให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราในอดีตแล้วก็ดับไปแต่ไม่จะดับเลยไปมันก็เก็บสะสมไว้ภายในจิตใจเมื่อไปประสบกับอารมณ์เหล่านั้นอีกในโอกาสอื่นซึ่งอาจจะนานหลายปีมาแล้วสัญญาในอดีตก็จะเกิดขึ้นจะมีการรายงานอารมณ์เข้ามาว่าอารมณ์นั้นเราเก็บไว้อย่างไงเก็บไว้ในฐานะ ที่รักใคร่พอใจหรือเก็บไว้ในฐานะที่ไม่รักใคร่พอใจไปจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาอีกตามสมควรแก่การเก็บอารมณ์เมื่อเกิดความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาก็มีอาการอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นอีกทีหนึ่งที่เราเรียกว่าเวทนาคือการสวยอารมณ์ถ้าชอบใจก็เกิดความสุขแล้วก็มีการปรุงแต่งความสุขนั้นออกไปด้วยประการต่างๆเส่เราปรารถนาที่จะให้ความสุขตหล่านั้นเพิ่มขึ้น ปราปรถนาที่จะให้ความสุขเหล่านั้นอยู่กับตนได้นานๆปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตและจะเกิดมากยิ่งขึ้นใจก็จะวิ่งไปได้วยแรงปรารถนาแต่เป็นการปรารถนาในแนวที่ให้เพิ่มมากซึ่งหมายความว่าเวลานั้นใจก็ตกอยู่ภายใต้กระแสของตัณหาหรือโลภะแต่าบางครั้งบางคราวมีการจะหมายอารมณ์ไม่ดีเอาไว้แล้วไปประสบอารมณ์เหล่านั้นค่ะ ก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีตามสุขควรแก่การเก็บเอาไว้เผือถ้าเก็บไว้รุนแรงก็จะกลายเป็นความโกรธความประทุษร้ายด้วยความอาฆาตพยาบาทแต่ถ้ากว่าเก็บไม่รุนแรงก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่อยากจะพบเห็นเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเก็บไว้ในลักษณะนี้พอเจอเข้าใจก็แปรเปลี่ยนเป็นทุกเวทนา คือความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ว่าตัวการจริงๆก็เกิดขึ้นมาจากความไม่สบายใจเมื่อมีการไม่สบายใจก็จะการกำหนดอารมณ์อีกแนวหนึ่งคือรู้สึกจริงชังอารมณ์ในอดีตไม่ต้องการให้เรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่ตนอีกในในปัจจุบันหรือแม้ในอนาคตอารมณ์ที่กำลังสบถ อ, อยู่ในปัจจุบันกำลังสัมผัสอยู่ในปัจจุบันก็อยากจะให้พิาศไปหายไปหรืออย่างน้อยก็ผ่อนคลายลงไป แล้มีความรู้สึกไม่ต้องการให้อารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่มหมายความว่าใจจะปฏิเสธทั้ง3กามกาือทั้งอดีตทั้งอนาคตและในปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พอใจใจจะไ ข, ขว่คว้าทั้ง3การเหมือนกันหรือไ ข, ขว่คว้าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันใจของบุคคลก็จะวิ่งวนดูด้วยอาการอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติคืออย่าทำตัญหาในอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งหมายความว่าในชั้นของการเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกริมรถดีลินแด้ถูกต้องเย็ดร้อนอ่อนแข็งด้วยกายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาปุตุชนกับพระอริยเจ้าไม่ได้แตกต่างกันในส่วนนี้พระอริยเจ้าทั้งก็พบทั้งก็เห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันปุตตุชนก็พบเห็นสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ที่ต่างกันภายในจิตใจของปุตุชนกับพระอริยเจ้าก็คือว่า พระริเจ้านั้นไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาในอารมณ์นั้นๆ ก, ก็ใกล้ๆก็มีเชื้อไฟไม่ไม่มีเชื้อไฟอยู่เลยถึงแม้จะมีไฟติดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะลุกลามไปได้เพราะไม่มีเชื้อมาเพิ่มต่อจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจิตใจของพระริเจ้าทั้งหลายระดับพระอระหันต์เป็นต้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือกิเลสภายในใจของท่านไม่มี เมื่อไม่มีแม้สิ่งนั้นจะก่อให้เกิดความกำหนัดสำหรับบุคคลบางพวกก่อให้เกิดความขัดเคลื่องสำหรับบุคคลบางพวกก่อให้เกิดความรุ่มหลงสำหรับคนบางพวกก่อให้เกิดความมัวเมาสำหรับคนบางพวกแต่สำหรับปาราหันมันก็ตกไปจากจิตขอทงทัานเพราะกิเลสเป็นเหต <c oughs> ุให้กำหนดอารมณ์ด้วยความกำหนัดก็ด Rod, ีขัดเคลืองก็ดีรุ่มหลงก็ดีมัวเมาก็ดีไม่ได้มีอยู่ภายในใจแต่ปุถุชนจะมีความเปลี่ยนแปลงแป ร, แ ป, รปรวนไปตาม ใจที่จำอารมณ์และการกำหนดอารมณ์ในขณะนั้นๆซึ่งกรณีสังเกตว่าจะมีองค์ประกอบอยู่สองประการคือการจำหมายอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตกับการกำหนดอารมณ์เหล่านั้นในขณะนั้นๆซึ่งในกรณีนี้สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากที่ได้กล่าวมาแล้วได้ถ้าหากมีคุณธรรมเป็นเรื่องค้ายันจิตใจของบุคคล เช่นสมมติว่าไปพบกับอารมณ์หรือบุคคลก็ได้ที่เรารักให้พอใจยินดีแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นไปแล้วตามปกติแล้วเมื่อพบเข้าก็จะโทรมนั้เสียใจและรู้สึกเสียดายในอารมณ์เหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าในอารมณ์เหล่านั้นเองมีธรรมะเข้าไปสอดแทรกอยู่มีผลมีสติปัญญาเข้าไปกําำกับควบคุมอยู่ ก็จะรู้สึกการปุงตกในอารมณ์ดอานั้นลองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของการพลาดพลาดแม้จะไม่พลาดพลาดมาก่อนก็ต้องพลาดพลาดในก่าต่อไปพลาดพลาดเสร็จแล้วในขณะนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้เสริมสร้างจิตใจของตนให้ยอมรับความจริงและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในตำนานตรงกันข้ามถ้าหากว่าไปกระทบกับอารมณ์ซึ่งตนไม่พอใจ เก็บไว้ด้วยความไม่พอใจเพราะเปลี่ยนขึ้นมาอีกในขณะนั้นถ้าไม่มีธรรมะสอดแทรกอยู่ <c oughs> ก็จะเพิ่มความไม่พอใจ <c oughs> ไม่ยินดีความโกรธความปัทุสลายเป็นต้นขึ้นตามการกําหนดดั้งเดิมของตนแต่สภาพจิตเหล่านั้นเองถ้าหากว่มีธรรมะสอดแทรกขึ้นมาก็จะมองได้หลายอย่างมองแล้วว่าเป็นเรื่องแล้วก็แล้วกันไปเรื่องผ่านมาแล้วก็ขอให้แล้วกันไป เดี๋ยวเลิกแล้วต่อกันความโกรธก็ตกไปจากจิตอารมณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นกลางๆสำหรับเราซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นชอบใจก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ชอบใจก็ได้หรืออาจจะคงสภาพความเป็นกลางๆอยู่ก็ได้นั้นเรื่องของธรรมะที่เข้าไปสอดแทรกอยู่ภายในจิตใจของบุคคลต้นแล้วแต่เป็นอุปการะธรรมที่จะนาบุคคลเหล่านั้นให้ หกเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษออกไปโดยลำดับและทำผัสความสุขในชั้นนั้นๆในฐานะนั้นๆได้โดยลำดับเช่นเดียวกันแต่า น, นการไม่ทำตันหาในอารมณ์ทั้งหลายคือไม่สร้างตันหาในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งจาเป็นจะต้องอาศัยการสํารวสมอง ร, วระวังในยามที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้น เราทำใจให้ยอมรับความเป็นจริงหรือไม่มานสิกาลในอารมณ์เหล่านั้นคือไม่ใส่ใจถึงอารมณ์่อดนั้นอย่างที่เราพูดกันว่าช่างเขาเถอะเรื่องของเด็กเรื่องของคนเมาเรื่องของคนโกรธเรื่องของคนสุขภาพจิตไม่ดีเมื่อมีการยอมรับสภาพในลักษณะนี้ก็จะมีการปร่งตกในกรณีนั้น ซึ่งหมายความว่ามานุษสิการเหมือนกันแต่เป็นมานุษสิการด้วยเหตุด้วยผลด้วยอุบายวิธีนแยกไข่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มาในรูปของก้าวศึกสัโซให้กลายไปเป็นมิตรของตนได้ซึ่งก้อนนี้จะเห็นว่าแม้ในบุคคลที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือเคลื่อนบหวติดต่อกันได้บุคคลก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน เขาอาจจะมาในรูปของกลางๆทางอารมณ์คือเราไม่รู้สึกยินดียินได้อะไรเพราะไม่รู้จักมาก่อนหรือหรือรู้จักมาก่อนแต่ไม่มีอะไรมีความตึงตราอยู่ภายในใจคือทั้งรักทั้งชังอาจะรู้สึกจเจอ๋อเจ๋ต่อเขาแต่เมื่อเกี่ยวข้องกันก็จะเปลี่ยนเป็นความรักหรือความชังก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อได้ใช้เหตุผลสติปัญญาปินิตพิจารณาแล้ว ก็จะถ่ายถอนออกได้ทั้งความรักและความชังตามสมควรแก่ฐานะแก่โอกาสนี่ก็อยู่ที่การปรับปรุงจิตใจของบุคคลเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆในแต่ละลักษณะว่าอารมณ์เข้ามาในลนักษณะนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรที่จริงใจที่ทาหน้าที่วินิจฉัยอารมณ์นั้นถ้ามองเห็นเป็นรูปธรรมง่ายๆ มันก็เหมือนกับการรับประทานอาหารบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งอานมีหลายลักษณะหลายประเภทบางอย่างรับประทานไม่ได้ของงดเว้นไม่รับประทานไปเลยและในสิ่งที่รับประทานได้นั้นเราก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการตักอาหารเหล่านั้นเข้าปากด้วยวิธีการที่แตกต่างกันด้วยเครื่องมือเครื่องมือที่แตกต่างกันแต่ผลเกิดขึ้นในลักษณะอย่างเดียวกันคือเกื้อกูลแก่ร่างกายของเรา ลักษณะอารมณ์ที่ผ่านมาสู่จิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าใช้แนวใดแนวหนึ่งโดยเฉพาะแต่เลือกเฟ้นธรรมะมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ตอนนี้เท่านั้นจะต้องมีผลเป็นความกื้อกูลแก่สุขภาพจิตของตนไม่ได้มีการเก็บการกดอารมณ์เอาไว้จนกลายเป็นการเป็นจนกลายเป็นการบ่อนทําลายสุขภาพจิตของตนจนถึงก็เสียสุขภาพจิตไป แต่ก็พยายามใช้การสํารว์ระวังบ้างการใส่สใจในเรื่องที่ไม่ควรใส่ใจตัวใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามความอิเลสที่ยังไม่เกิดสรุปง่ายว่ากิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใส่ใจเป็นการปิดประตูไม่ให้สิ่งที่เป็นข้าศึกสัตว์เข้ามาสู่ภายในบ้านของตอน ใส่ใจเรื่องอะไรแล้วความดีที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าความดีหรือความชั่วนั้นอาจจะเกิดจากการใส่ใจก็ได้จากการไม่ใส่ใจก็ได้หรือสนใจก็ได้ไม่สนใจก็ได้คาว่าใส่ใจนั้นเราแปลมาจากคํวามณสิการคือการใส่ใจถึงหรือการสนใจที่เราใช้กันในภาษาไทยแล้วความใส่ใจบางอย่างนั้น ถ้ากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็สายใจในเรื่องเหล่านั้นยกตัวอย่างว่าการฟังการฟังบางอย่างมันเกิดกิเลสฟังสิ่งที่ยั่วฟังเสียงที่ยั่วยุทางการอารมณ์ก็เกิดความกับหนัดรกักใคร่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นฟังเสียงที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองความหงุดหงิดความไม่สบายใจกิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น สัญญาตัวอย่างเหล่านี้จะพบอป้าการปฏิบัติธรรมานั้นแม้แต่อยู่ที่บ้านใกล้เคียงกันหรืออยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่ห้องใกล้เคียงกันหรือแม้แต่อยู่ห้องเดียวกันก็จะมีการกธธระทามที่ก่อให้เกิดได้ทั้งธรรมะและก่อให้เกิดได้ทั้งกิเลสในกรณีที่เป็นการตรง ต, ตัวก็คือว่าลักษณะของอารมณ์เหล่านั้ น, น, นก่อให้เกิดความกำหนัดขัดเคลืองรูปหลงห ม, Baker, ม, primo, หมัวเม่าดังกล่าวแตเกิดไปใส่ใจมันก็เพิ่มขึ้น รกระการเชื้อไฟที่มีอยู่แล้วเราเชื้อไฟไปสายเข้าไปมันก็ลุกมากใหญ่เราก็หยุดการเติมเชื้อการใส่เชื้อให้ไฟนั้นก็ต้องดับไปในอีกขั้นหนึ่งนั้นลักษณะาทางอารมณ์ก็เป็นไปโดยระยะที่กล่าวแล้วเราจะอยู่ใกล้ชิดกันเป็นบุคคลเป็นรูปธรรมอยู่บ้านใกล้เดินเคียงกันแต่เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรแล้ว ถ้าเห็นได้ยินเป็นต้นแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูมกก น, นมากยิ่งขึ้นยินบะมองไปเห็นคนมีความบันขยันในการปฏิบัติกิจการงานเราก็เกิดอนุมโมทนาชื่นชมยินดีในความขยันหมั่นเพียรของบุคคลเหล่านั้นสแสดงว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากิ่งขึ้น ได้เห็นการกระทําของคนที่ทะเลาะวิวาดกันผัวเมียทุกตีทุบตีการด่าว่า ก, กันจากบ้านหนึ่งมาได้ยินถึงบ้านหนึ่งถ้าไปเกิดมานาสิกานข้าวจิตใจก็ไม่สบายเลยไปร่วมบงผิดแล้วไปร่วม บ, บงทะเลาะกับเขาด้วยแล้วก็ไม่มานาสิกานเรื่องอารมณ์แบบนั้นแล้นั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงใช้ก็ทรงใช้คําโดยสรุปเพราะว่าเรื่องอารมณ์มากเหลือเกิน สงสัยคําว่ามานสิการในเรื่องอะไรแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพวกเธอทั้งหลายอยา่าใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นเมื่อใส่ใจในอารมณ์เหล่าใดกิเลสที่ยังธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นอย่างเสียงแห่งธรรมะจะเป็นเสียงเพลงธรรมะเสียงการอ่านหนังสือธรรมะบรรยายธรรมะรเทธิธรรมะก็ตาม เมื่อสายใจเมื่อสนใจก็จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจความสงบขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นสิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็จะรู้เพิ่มขึ้นที่รู้แล้วก็จะขยายวงกว้างออกไปในเรื่องนี้ก็ทรงสอนให้ใส่ใจเพราะั้ออนรูปเสียงจึงรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั้นแท้จริงแล้วแกก็เป็นกลางกลาของแกแต่ว่า จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกําหนดของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่รูปอย่างเดียวจะก่อให้เกิดความรู้สึกแก่คนเหมือนเหมือนกันแต่จริงขึ้นอยู่กับพื้นใจของเขาที่เก็บสะสมรูปเหล่านั้นเอาไว้มันเวลาเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นบางคนเกิดความพอใจบางคนเกิดความไม่พอใจและพอใจไม่พอใจก็มีมีมากมีน้อยลดหลั่นกันไปโดยลําดับหลากหลายออกไปแต่บางคนก็กลับรู้จัก รู้สึกเฉยเอเฉยเมาก เ, าเฉยเน้อยเป็นต้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับ ก, บการเก็บคว า, ามรู้สึกต่อรูปเป็นต้นเหล่านั้นไว้ในอนดีตของบุคคลนั้นพอเก็บไว้ในฐานะอะไรแกก็จะมาโยกครอนจิตใจของบุคคลให้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะนั้นๆดัง น, น, น, น, นั้นถ้าหากว่าบุคคลไม่กระทำตัณหาคือไม่สร้างตัณหาโดยการปิดกั้นกระแสของตัณหาไว้โดยระยะมนันทีิกล่าวแล้ว แต่บางครั้งบางคราวตันถามก็เกิดขึ้นแล้วในอารมณ์เหล่านั้นในตอนนี้ถ้าจะเปรียบเทียบมาดูง่ายๆคล้ายกๆกับการอนุรักษ์อาหารในการรักษาอาหารชั้นแรกเราก็ปิดภาชนะเอาไว้นั่นก็หมายถึงการสํารวมรว่างอินทรีย์แต่ชั้นที่สองนั้นเป็นสิ่งที่ไปตกลงไปในอาหารแล้วเชนว่าผมตกลงไปในอาหาร ปวกมแมลงตกลงไปในอาหารมันก็ต้องมีการวินิจฉัยให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษจําเป็นที่จะต้องยกออกหรือตักออกตักทิ้งไปก็ขึ้นอยู่กับว่ามองเห็นโทษได้ขนานไหนถ้ามองเห็นโทษได้ตลอดก็ไม่รับประทานไปเลยแต่ได้เห็นว่าโทษไม่รุนแรงกาจจะเพียงตักออกแล้วก็รับประทานได้ก็ปฏิบัติไปตามสมควรแกร่กรณดิษเหล่านั้น หมายควม่าตันหาบุคคลจะต้องเห็นโทษถ้ามองยังไม่เห็นโทษก็ไม่ละตันหาแต่เนื่องจากผู้ถามท่านถามต้องการผลสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ตัดกระแสของตันหาทั้งหมดคืออย่าทำตันหาในอารมณ์ทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นผ่านมาก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็ง สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นอย่างไรมันก็เป็นขมันอย่างนั้นใจของบุคคลก็จะกลายเป็นใจที่เรียกว่าตาที่โนคือคงที่ไม่ถูกโยกครอนหวั่นไหวทั้งด้วยความรักและความชังด้วยความยินดีและความยินไรในอารมณ์เหล่า น, นั้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติในขั้นสูงสุดแต่โปรดเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมะทั้งหมดในศาสนานั้นไม่ได้ไปผูกยงไว้ข้างบนเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกขณะในการดำรงชีวิตก็สสำคัญว่าให้เลือกใช้ถูกต้องเหมาะสมสดคล้องกับ ล, ลักษณะทางอารมณ์เท่านั้นเองถ้าเรามีปัญหาในทางเศรษฐกิจถ้าบุคคลอ่อนไหวต่อเสียงโฆษณาการประกาศลดราคาการขายพร้อมด้วยการแถมซื้อ2แถมหนึ่งอะไรต่ออะไร จึ่งจำเป็นจะต้องมีโยในโสบรรจิการในจุดนั้นพิจารณาถึงความจําเป็นที่จะต้องใช้พิจารณาถึงเล่นในการทํามาค้าขายพิจารณาถึงประโยชน์ที่ตนจะได้จากการซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมองกันได้หลายแง่หลาย ม, มุมแล้วก็หยุดความคิดที่จะไปซื้อสินค้าเหล่านั้นพอมองเห็นผลคือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ตนในการครองชีวิตและแม้ในเรื่องงินอื่นก็ทํานองเดียวกัน การพยายามไม่กระทำตันหาในอารมณ์ทั้งหลายนั้นจะทำจิตใจของบุคคลให้สามารถสงบดยูในจุดที่ควรแก่การสงบแทนที่จะปล่อยให้พล่านไปสายไปสั้นไปในอารมณ์เหล่าอื้นจนบางครั้งบางคราวก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองตุกอารมณ์เหล่านั้นจุดกระชากลาก่าไปแต่วิ่งไล่ เพื่อพยายามจะตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนทางการปฏิบัติในลนนักษณะนี้ในบางครั้งบางคราวเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนึกของบุคคลคือการทาตัณหาในอดีตนึกถึงอารมณ์ต่างๆในอดีตที่ตนรักใคร่พอใจมีความชื่นชมยินดีกับอารมณ์หลดนั้นบางครั้งใจก็ไปนเหนี่ยวนึกปรารถนาที่จะให้อารมณ์หลดนั้นกลับขึ้นมา กลับมาสู่สภาพเดิมซึ่งบุคคลในสูญเสียการเวลาไปเพราะการนี้ไม่เป็นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่น้อยเลยจึงจําเป็นจะต้องไม่ทาําตาหาแหน่หลง่านั้นด้วยเพราะเรื่องอดีตก็คือเรื่องอดีตจนเกิดขึ้นแล้วในี่อดีตแล้วก็ดับไปแล้วในอดีตไม่จะเรียกร้องปรารถนาไขว้คว้าอย่างไรมันก็ไม่ได้กลับขืนมาอีกถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับสิ่งในอดีตแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่เรื่องของอดีต เป็นเหตุปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเองบางครั้งบางกล่าวถ้าหักว่าบุคคลถูกความดูครอบงำอยู่ก็จะเอาสิ่งสองสิ่งในการทั้งสองเข้ามาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์เหล่านั้นถ้าเป็นไปในทางสร้างสรรค์ในเชิงของการดํารงชีวิตของสามัญชนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าในเชิงของการปฏิบัติเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปแล้วแม้เพียงระดับสมาธิเท่านั้นเอง บุคคลก็ไม่สามารถที่จะคุมใจให้สงบอยู่ได้เพราะสมาธิเป็นเรื่องการกําหนดอารมณ์ในปัจจุบันแต่ว่าใจได้มีตัณหาในอารมณ์อดีตหรืออาจจะมีตัณหาในอารมณ์อนาคตแทนที่จะกําหนดอยู่ในอารมณ์ในปัจจุบันใจก็จะวิ่งสายไประหว่างอาดีตกับอนาคตปัญการทาตัณหาในอารมณ์ทั้งในการทั้ง3ด้วยแม้ด้วยความเหนียวนึกคือหมายความว่าในขณะนั้น ไม่ได้มีอะไรผ่านมาทางภาษาสัมผัสธาตุใจขึ้นเป็นเหนี่ยวนึ้ขึ้นม า, าก็จะกลายเป็นอุปสรรคในการสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจเป็นการซึ่งในชั้นนี้ไม่ใช่เรื่องของการบรรลุมรรคผลในผ่านแต่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพจิตของตนแม้จมอยู่กับอดีตแม้เพ้อฝันถึงเรื่องอนาคตแต่ให้พยายามใช้ชีวิตในแต่ละขณะที่เป็นของตนจริงๆในปัจจุบันให้เกิดสาระ ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เมื่อประพฤติปฏิบัติได้เช่นนี้ผลนันเป็นประโยชน์เกื้อคุณก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป